ที่มาทำบุญวันนี้ต้องตั้งใจฟังเพื่อจะได้รู้จักว่าทำยังไงเหมาะสมกับกาละเทศะหรือทำยังไงจะไม่เหมาะกับกาละเทศะเราต้องพยายามทำให้มันถูกต้องอย่าไปยึดถืออะไรมากเกินไปแต่ทำให้มันสำเร็จงานก็รู้วงไปได้ถ้าเราไปมีพี่ทีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ มันก็เลยท คนั้นพูดอย่างนี้พอใจมันขึ้นขึ้นลงลงขัดน้นถ้าเปจับน้ำหนอนดังนั้นวันนี้อาจจะมาจับอย่างขอแนะนําให้ผุกคนว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเข้าใจว่าเราเป็นคนแต่ทุกคนต้องเป็นคนคำว่าคนเนี่ยเราเห็นคนเยอเรื่องอย่างถ้าเรายังไม่เห็นคนก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ ศึกษเป็นคนเราไปศึกษาเรื่องคือนก็เลยมันไม่ได้ศึกษาเรื่องคนคนนี่แค้งขาหน้าตางเงาเป็นคนก็เป็นคนก็เป็นคนบัด น, นี้จิตใจอาจจะเวลวไายไปเหมือนกับเป็ถ้าจิตใจเวไปเหมือนกับปกเป็นลักษะเป็นคนใจเป็นคน็สันิัน กับเละาามันเกิดกับตัดแก้งขาหน้าตามือเข้ามัก็ต้องติดตัดเต็มจิตใจบางทีมันสบายสบายอีกนะสม坤สมบางทีมันมันร้อนโดนฝนสแสดงว่าตัดสม坤ในไทยไทยแต่คนนั้นมีความจดหยาบและยังมีหลักศรนิ้วที่เพ่งแข็งตึง มาที่จะจับตัดมาใสได้ทุกอย่างตัดมาจากตัววงบนทุกประเภทวงบนเยว่าถ้าคือว่าของผัวพังเป็นผัวบ้างบางทีเป็นคนประเภทนั่นบ้านพอแตกลางวัดได้นวงบนถ้ามีมือมีอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าสังเกตดูคนเราองลูบจัก 带动。 ไม่พอเอ๊ะว่กินไม่พอได้ในคนในตานานครับว่บาเตศปากคอรูเก็บทองไงข้อภูเขากินข้อไหนเลยผมหลักตระหนักนี้เป็นเตศเราก็เดยเห็นได้วัด น, นี้อัศุลาขายอัศุละเป็นคนปลดแอกครูบาอาจารอัศวุละหมายถึง ผ, ผููไก่จากปุถิกไก่จาก คือ หนาเราเปลี่ยนคนเรา คนละครับไปรู้ มี จะพวงีอันนั้นอาตมาอยากขายตัวได้อยากดำดินไปได้อยากเดินไปได้เป็นอาถรรพ์แล้กวก็มีอาจารย์แปลกๆที่สอนว่าคัักเ็เลยไปยกับท่นสามเดือนไปเรียกับท่านไปเรียนับทันพ่วมมนของท่านละ ข, ข้าศลาบูสีน้ำมสีสีสน กกดดองจักแก้มบูมีแก่กลวงที่วงมิจะเป็นภาพยหัยักผมอัดเสื้อพูดเป็นชาวอนนัเป็นาต่างวัี้ขาขาตัติด่าคนธุรีบุรีพออธุมีแทนของตั้งขาหน้าขาพูดแก่นฝันพูดแก่นฝันเด็ดคนแทนพูด่อถาานาพ่อไมู่ดจะเต้นไปได้พอโยธันวา มานังรู้สึกตัวกำลมาลุกขอตัวเดยวให้ตู้ตงต่าปี๋ใ น, นี่คนไม่รู้สิสงคนไม่รู้จำเป็นต้องตรอบอถ้าคนรู้แล้วเขาจะบอกให้เลย ตัมมังคลุมุตตามเซโ re, le, ยมอย่างไรเพราะเซบันนาจักพาลาตัวเราดีคนทานไม่เต็ม คนเลือควรนจำหลายยามันะสมเลือดสมมติเขานะข้านมเส็นอันนี้เรียกว่าข้าดีครับ้านบางคนบางคนพูเียดคก่อนที่จะทงเส้นเขาเอาข้าวมาปูนเขาเอาต่างแต่ละปัเป็นสน่เมื่อสุกนานนร้อนแรรวันนี้เราเลือก หมดเดียวเรายังไม่รู้จิตใจเดชาว่ามองเราอย่างไรแต่แย่หมดเรื่องรวมเป็นคนจะหมดไปควมเป็นคนหมดไปเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่มีคนรวมเป็นคนหมดไปเรืองเป็นอะไรเป็นศาสนาเป็นเทพ้าเป็นศาสนาเป็นศาสนาโกมากเมื่อเราพยายามรวมเป็นคนให้มากขึ้นเมื่อรวมเป็นคนมากที่จะเป็นอย่าง ปกติมนุษย์เป็นมนุเป็นคนทกข์ทรมานปกติมันตายพวกเป็นคนกบดุลขึ้นมาปกติมันพวกเป็น มัน um ให้เราสํานึกต ja ัวเรียนเสมอแม่สํานึกตัวเรียนเสมอความนิ่งลงด้วยนี่แหละคนหลงคนเลือนตัวข่าวใดก็แสดงว่าเราผิดหรืออาจจะอิจฉาไม่ได้ตัวเป็นคนไม่สมบูแล้วเป็นมนุษย์ไปเป็นท้าวโยมเป็นพระษฎรนับรองได้เมื่อคนเป็นมนุษย์ไม่ได้เราจะเป็นเทวดาได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นมนุษย์ไม่ได้เราจะเป็นเทวดาได้ เมื่อคป็นเทวชาได้ไม่ได้จะ เ, เป็นกมดเป็นพา้พกผมไม่ได้และจะเป็นพระเยบคนใดไม่กกไ ด, ได้ไม่ต้องถามใครเลยรวมทุกคนอยู่ที่นี้อัตมาสั้นรับรองขับขุดของทุกเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทั้อองาให้มีสต่กำหนดรู้ในถึงจะบีตือเปอเยี่ยมบุญอะไจะโยมเงินเงินงโยมนว คนที่สุดแล้วทำกามมาด้วยตอนนี้เท่านั้นเองท่านยัต่อให้มีสกสิกำหนดไม่เรียกด้วยเปลี่ยนเครื่อนไหโดยเหนือกาทิดตาคนหายใจคนจิตใจคนที่ผมรสึกว่นทุกอย่างเมื่อมีมากเข้ามากเข้าจบมูแล้ว ยังไม่ได้ทำเหมือนกันกันกบที่เราคนที่เนี่ยเป็นวกเป็นะรับเรียนหนังแต่เราไม่ทำให้พระเด็กถึงกนาน่ะโยมอาจามา่าดีแล้วแม่ว่าโยมถามยโยมคินข้าเปลือกกินข้าวเลือกไรอจาจามาไม่หมดข้ากหมดแต่บ้านอาจามาเนี่ยทามาทำสวนส่วนไม่ว่าใค้ใช่ข้าวกัน ปลูกข้กาวเนี่ยนแตกเป็นต่คนกินฟ่างเป็นไหมยมก็งงเข้าใจจริงๆนะที่หลวงพอ่อพูดเนี่ยถ้าหากไม่เข้าใจจริงแล้วก็จะเสียเอินฟ่างไงด้เป็นออกมาเป็นข้าวบางสนรี่ไปบางส่วนกอ้วนกิข้ขายึดก็ไม่ได้กินไม่เขา้าท้วกับเงไม่ได้กิเขาา้าสารได้ไกินไม่ได้เนี่ยต้องึองเข้าสุ มนันโยมมาทาบุญทุกคนเียจะมาบก็พิจารณาถ้าโยมไม่พิจารณาอยากนี้แล้ววกจกเมื่อลุกนทุกคนหมดแล้วเียบอจไม่ยมให้เข้าใจว่าพูว่าจะเสียหัเสีัวูว่าจะเสียหเส็ยหัวพว่าัจับจับหัวจะเียเยัวจะ No, no, no กมินที่พระาอนคนไม่ไม่กลัวกลัวแต่ตายจยามันมีที่ไหนไนโดกตัเกิดมาตายอย่างตั้งคนเกิดมาตายอย่างคนเทวดาเกิดมาตายอย่างทดาถ้ากิืนภพภพอะไรเกิดมาจะไปตายยังนั่งติดจจุันพิจารณาดูสว่ากลัวตตายมังกลัวเาะทไมนพระพอทธเ น่อท่านควากจะได้บจากนั้นถาโยมหมดหกสิบสี่แล้วดังนั้นคนมีชิเลสนะโกีจจะกิดเขาคนต้องมีกิเลชนตะนต้างๆให้ทำให้เมืองสวรรค์เมตไพรายต่ำอัตมาที่จะงาน ถ้รู้10ตัวแล้วแบบตัวไม่รู้นี่ละถ้าเรารู้10ตัวอยูย่ลกับเวลาสุรขั้รนะถ้าเราไม่รู้10ตัวในขนาดไหนเวลา เจอตักระเจ้าพระเจ้าเธอจะหาเศ็ษฐีเพื่อจะหาตัวมาฆันเจ็บตุกตายบุญเสถ้าเธอหาเศทษีเพื่อหาบุญถ้าเธอหาเพื่อต้องอะไรจะมีบุญคนนั้นเกิดข้อจัดจะเลยกินเรื่อน้นการพูดการคุยตั คือมันมอ่งตัวเราหนีจากตัวเราคืวคนที่ตัวคนห ล, ลงตนลืนตัวแล้วมีคาน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีแต่ความเดือดร้อนการพูดการคุยกันคนขี้่กันเราไปวัดไปฟังเทศไปให้ทานไหรักษาสินไปไหว้พระเอาง า, าเพื่ออะไรก็เพื่อศึกษาเั็นตัว เราไปวัดวก็ไม่ไดอไปอื่นไกลทือไปดูกิริยาท่าทางเราจะทำยังไงจึงจะเหมาะสมกับกิริยาท่าทางของเราอันนี้พ่อแม่หลพอหรือคนเฒ่าคนแก่ผู้ย้ายายเเคยเราให้สังก่อก <c oughs> ิริยากิริยามารยาทไม่เหมือนกันคนเนการกสัง วันนี้กิริยามารยาทนั้นก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปได้ลู่ลางอคนเดียวกันทีแรกมันต้องไม่รู้มันต้องทําไปตามนิสัยสันดานเคยทําอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ทางวินยัยท่านก็ตัดเอาไว้ว่าดอกไม้ที่ตัดสีถ้าหากเส้นได้ดีเส้นได้สุกุมาลัยสุกุมาลัยเส้นได้ที่ฐานเต่เส้นได้ดีจ้างนายสร้างเขามาสลักสี ก็โหหน้าดูถ้าหักในส้างไม่ดีนะสลักสีก็ไม่เป็ียนเช่นได้ก็ไม่ดีดึงก็ขาดววออกไปเลยเรไม่มีที่จะดูได้ <c oughs> ที่หลวงพ่อนำมาพูดให้ฟังวันนี้พอทะว่ารญาติโยมอาถรรพ์มากถพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าบอกเป็นการตวาวณากันไปเสร็จสิ้นไปแล้วจะได้ออกไปทําตุลาหน้าที่ของตัวเราให้เหมาะสมกับหน้าที่ของ คนมันต้องรู้จักหน้าที่ของคนถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็รู้จักหน้าที่อะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักหน้าที่อะไรเลยแต่รู้จักหน้าที่ของเปรตเปรตเปรลักษณะอย่างไงไม่รู้เพราะไม่รู้ลักษณะของคนหนึ่งตเดเอกสารมีลักษณะอย่างไงไม่รู้อสุลคายมีลักษณะอย่างไงไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดเลยเพราะไม่รู้จักหน้าที่ของคนแล้ไม่รู้ ถ้ารู้จักหน้าที่ของคนควมเป็นคนมันต้องเป็นอย่างนี้ตอรู้จักหลพอเข้าใจอย่างแต่ตอนเก็ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักว่าคนคืออะไรรู้จัก จ, กจะเห็นแขงขาหน้าตามือเท้าเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนคนเข้าใจว่ามนะันเปลี่ยนคนเป็นคนจริงแต่ว่าจิตใจอาจจะเป็นสัตวธรรมเนรําวรธรรมเนรสารเนี่ยไม่ใช่แค้งขาหน้ า, าตามือเท้าเปลี่ยนนะฟังกันแล้วจาไดไ้คือ จิตไม่มีความละอายนั่นเองอันนั้นจะเป็นสัรว์เตามันกําลังพูดกําลังคยุยกําลังทํากําลังอะไรมันไม่มีความละอายไม่สํานึกตัวนั่นไงคนหลงนตนดูโสดคือไม่ได้ดูตัวลมันก็พูดไปคยไ ป, ไปนี่หลงพอเขา้าใจตอนเตาหลงเขา้าใจนี่ว่าคนหลงตนเป็นสัตว์เลาตาเพราะมันไม่รู้จักหน้าที่ของคนเเปรต พูดไม่พอเป็นพูดไม่พอไม่จบไม่สิ้นหากินก็ไม่พอไม่จบไม่ส้นได้อะไรไม่พอเป็นนี่ว่าไม่พอในปากพอรูเข็มคอพ่อภูเขาพอแม่ภูบ า, ากันไรสังเต็มปากมันเล็กคอมันโตกิน่นพลังพ่อันนี้ก็เข้าหลักเดียวครับพูดจนตายเลยเกิดมาหยุดท้องแม่บอกพูดอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้จบไม่รู้สิ้นโลยหลักศาสนาเป็ม ขบข้อเรารู้หลักษณะกรมเป็นคนเนี่ยอาศุลกายกนเนี่ยฟังนี่ก็ไม่รู้เรื่องดีชั่วไม่รู้เรื่องเลยไกลจากคนจริงพูดคนจริงให้ฟังปฏิเสธไปเลยเดี๋ยวอาศุลกาอาศุากลกาเร็วไอ้นะที่หลวพ่อเข้าใจไม่ได้แต่ตะเกียสื่อเนี่ยอะศุลกายจะไกลจากคนจริงไกลจากขมสอนของพระพุทธเจ้าไกลจากขมที่จะให้เป็นคน มั น, นดนนนิ่งลงไปทางทางจิตผิดเรามันเป็นสัตว์นรกก็หมายถึงมันร้อนหลอนละอูดอยู่มีคนใดพูดให้เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจตรงไหนใจมันเป็นไม่ใช่แข้งขาหน้าตาหรือเขาเป็นที่พูดให้ฟ like ังญาติโยมาหลวงพ่อฟังเอาไว้จะจะเชื่อจะมาเดี๋ยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ฟังเอาไว้อยจะเชื่อจะมาเอาไปพิจารณาเองตอนเศร้าอาจจะมาเข้าใจเรื่องนี้ ประมาณสี่ห้าเนี่ยแหละดูลายนะมืดด อ, อ, าาอาามันไม่ชัดสีเขาใจอย่างโอ้เพลงแต่นรกแล่ในรักษาอะสุลับกายมันไม่ใช่มีตนมีโตถี่ก็ไม่มีตนมีโตเทวดาก็ไม่มีตนไม่มีโมันเป็นเพียงสมสมุติคือสมมุติให้ใจที่เด็กวันนีน้ค น, นใจไปถุกคนที่แหละตัวคนนะครืองหมายถึงทุกสิ่งทุงกอย่างนี้นมีเทวดา คนมีมนุษย์มีพระเอนมีพระพมที่สุดะเดียกเจ้าของจุดดนคคนเมื่อควรเปคนก็เลือกเขาได้คนแล้วควรคนเป็นว่าคว ร, คควรอย่างที่ญาติโยมคงจะเห็นขนมเส้นบ้านเรเขาเรียกเขาพุ่นทนี้เรียกเอาขนมเส้นขนมจีนเนี่ยจีนแลกสมเม็มามาพ้นเขาทำยังไงเดตอน แล้เขาเหนนวดมาให้กินเละไปเลยไม่มีเส้นไม่อะไรเลยไม่ได้ เ, นะเขตบเขาเลยข้าอะไรม่นนเล ย, เลยไปบีบลงนาำพอดีมันลดตกลงน้ามันเป็นเต้นเป็เลือดไปอย่างนั้นเหมือนปเป็นแต่พอดีไปลงไปนานรอนมันถึงเช่นแบบเป็นคนเลือกเป็นมนุษย์มนุษย์จึงว่าแปลผู้สิทธิใจสูงข้ามจิตใจได้เลือกคัดจากหาเขาได้เมื่อควมเป็นคนนี้ รวมเป็นเตะรวมเป็นอาตมาสัตว์รวมเป็นอาตมารวมเป็นสถาวรเกตัวเลน้อยไปรวมเป็นคนัมากขึ้นขึ้นมากขึ้นควมเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเมื่อรวมเป็นคนสมบูรณ์แล้วนะควมเป็นคนสมบูรณ์คนนั้นยังเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่าเป็นคนเกิดขึ้นมาเนี่เป็นมนุษย์ได้จากทีไม่ได้จากมาแต่ตัวจะมาเข้าใจย่างไงคนอื่นจะเข้าใจอย่างไงไปตาม เมื่อความเป็นคนสมบูรณ์เริ่มเติบโตมนุษย์ครับล่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเหมือนตัดต้นไม้นี้เติบโตคล้ยงอกคล้ายงาเพราเมื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วความเป็นคนสมบูรณ์คนเป็นมนุษยสษ์สมบูรณ์พวมเป็นเท ว, วดากคล้ายมีขึ้นมีขึ้นขึ้ น, น, น, น, นจะมีกระเป็นอันเดียร์เข้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจมีกับเป็นนี่ย มีมันก็ค่อยเป็นมันค่อยมีขึ้นเป็นขึ้นมันก็เป็นตัวเองนี่ควมเป็นเทวดาก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นควมเป็นเทวนาก็คือมีผมละอายนต่เองเรจะพูดอะไรทําอะไรคิดอะไรดูกิริยาธาตุทางเนี่ยมันต้องมีกิริยาหน้าญาติบ้านเมืองพอดิลิยาหน้าญาติลิยาธาตางท่านสอนคข้าวตเกแก่ท่านสอ น, น, น, น, นลูกสอนนายนิยากินข้าวเนี่ย ไม่ต้องพูดไค่ต้องคุยเลยพ่อหลวงพ่อแม่หลวงพ่อมีปูยาตายายเป็นสอนจะสอนลูกก็สอนไม่ได้ไม่สอนเห็นเขาทําผิดกาอย่างไม่สอนสไม่ได้พอแม่บ่กกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วจยากตอนเขาแบบนี้เรียกมาถ้าสอนเวลากินข้าวเนี่ยเขามีความไม่พอใจก็จะวาเข้าวหนีก็จะไม่กินเลยเป็นแบบนี้พอแม่ปู่ยาตายายเป็นสเพราะ มันมันไม่พอใจใช่มันไม่ฟังเลยมันก็หนีเลยเลยไม่ได้สอนอมันเลยเข้ากันมันก็ไม่ได้กินผมรู้มันก็ไม่ได้วันนี้กินข้าวถึงเ ร, เรียบรอเรี่ยงมาทั้งตัวมาเรามีเรื่องนั้นนั้นอย่างนี้แตพูดให้ฟังยังนี้นพูดให้ฟังอ้อมไปอ้อมมาเขาใจดีถ้ารับจากได้เนี่วรับนสองคนก็เป็นอย่ า, า ง, งนั้น่าไม่ฟังพูดมาอะไรทางหนึ่งดข้าวลงไปเราจับว่า มือเราวิ่งไปจับอนะนันก็ไม่รู้เอาเข้ามาในป า, ากเราที่ยวเข้าเข้าไปนในรูเราเกลืนเข้าวลงไปในช่องปากนีน้เมื่อเราไปคูยอยู่แล้วไม่มีโอกาสเลยไม่มีเวลาจลยนะอา 4, ยุ3 0ปีอย่างรู้เรื่องนี้สิโอ้โอ้อตาย คนอายุ40ปี6กคือให้ตายเลยนะอายุ80ปี80ปีจะตายแล้วอันนี้ไม่ยังไม่ถึง80ปีคุณได้70ปีนี้ดูคนอายุ80ปีลงปู่ตายแกนะได้ครึ่งตวแลวนะอันนี้พวกเรามี็นคนเราพูดให้ฟังโดยความจริงใจเลยหน้าที่ที่จะตัดสินใจหงพ่อเคยพูดบ่อยๆเลยแต่มันไม่รู้มันไม่รู้ประจําเดือนพมาเน่ย มันัแน่นเนี่อว่าเพื่อน้ำชาบแก้วไม่ยอมเปลี่ยนกิริยาท่าทางไม่ยอมเปลี่ยนกิริยามารยาทไม่ยอมเปลี่ยนอาณาจักเป็น <Cruise> ที่คเห็น <loads> ด <stabbed> ึงโยกย้ายที่คนดูเบางทีเป็นมิตรติดบางทีเห็นผูเป็นสัมมาทิฏฐิที่ฐิเป็นเพียงคนห็นคนเทศดังนั้นที่หลวงพ่อนามาที่ใาเต่างหรือมาที่แจงแสดงเหตุผลให้สั่งนี้เป็นของ นิทานตอย่างจริงๆน้ำเลก็กตัวอย่างจริงอะไรอะไรทั้งหมดรวมอยู่ที่เราที่เราผลินเราให้ลู่จักเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มีค่ามีคุณถ้าหากเราไม่ลู่จักเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีคุณแล้วแบบเกิดมาเขาไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินนแล้นอนปลู จะลาบ ไ, ไปตายไปสวนสัตว์กับเด็กสา่นเอไม่มีประโยชน์เลยคนเมื่อคืนเป็นคนเนี่ยเหมือ น, นข้าขาคนในข่าขายเป็ดได้กดําไรคนในข่าข า, ขายไเป็ผ่านถึงยับเยอนไปหมดเสียไปพ่อแม่ปู่ย่าตยายายหาเงินหาทองได้ตี๋ไปหมดเลยตัวเองสน้ารม่พอเอาของขออของเนี่ไปใช้จ่ายไปหมดอีกเน้ะแม้ จ, จะขี้วิ่งก็ไปขายจนหมดเลย คนค้าขายเป็นคนที่ค้าขายเป็นเนซีมาจากซีแล้วก็เป้นลูกศิษสองนเรียเป็นคนเจะาขมาตั้งอายุในเกณฑ์6กปีเอาไว้ฝัมนมงการเกรก็มมกเมองเือนี้ชุกมากล้วเข้ามาถึงหนึ่งปีเข้ามาเป็นเมืองไทยสบายใจยมาก็เลยมาเป็นลูกจ้างเดือนหนึ่งหกสิบ เงเินเดือนดึงผมไปลื้เคยมนะเงเินเดือ น, อนดึงผมไปลื้บาทห้าสิบบาทไปอยู่โรงต้มเขาเพียงได้กินข้าวออับงพ่อเหมาอย่างไม่เอาเงินจะได้ให้ได้กิน ข, ของพอ่อเนี้ยข้าวของกิน ข, ของเขาเขาให้เดือนหนึ่งบาทห้าสิบาททาระยะสามปีทาได้ เ, เงินเดือนเป็นจากนั้นก็ไปรับ เ, เงินเดือนบุกบ้านนำเท่าแก่เท่าแก่ก็เลยหางานให้ทําทํางานมากเลย เดือนนึงของบาททางานมากเลยเป็นเป็นหลวงจู้เขาเอาหลวงจู้เหมืนี้ยเก็บเงินเก็บทองเขาเออหลวงจู้ทางมีว่าอย่างไรเงนนี้ยที่ผม เ, เก็บเงินไ ว, ว้เหมือนกันเข า, เาหลวงจู้ไปเก็บเงินนำเงนนั่งไปเก็เงนเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นเรียนหนังสือไปด้วยเก็บเงินไปด้วยได้เงินเงินก็ทำนิยประมาณจากสามสี่ห้าสี่เขาคิให้เงินเดือนคิดสอบาทต่อมาจนเป็นบริษั เดี่ยวนี้เนี่ยเปรมดําลงกับไทยอมรหลวงพ่อรู้ดีพวกนี้ไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเคยได้พิฆาสมคาคมด้วยกันมีแหลการฆ่าเขาอยู่ได้กําไรพ่อแม่ตระมาได้เพื่อนคู้มตระมาศ ไ, ได้นี่เรียก ว, ว่ามาเเป็นคนอย่าให้เสียผมเป็นคนเราต้องพยายามทาตัวของตัวให้เป็นคนทีน่ได้อย่าเป็นเตะอย่างเป็ ญาติจึงตัดลกอย่าเอาคมชั่วมาเป็นประมานญาติเห็นสุน่งเนสุขญาติเห็นทุกว่ามันเป็นความสุขมันผิดนะคึดให้ฟังใช่ไหมเขาไม่เข้าใจสอนให้คนรู้จักของจริงของจริงนี่เปี่ยนแปลงไห น, ใ น, ในคนเกิดมาเนี่ยไม่อยากมีที่ไหนไหนโลกไม่ตายบ้านเมืองที่จเจริญอเมริกานูน่เงินทองก็มากยาก็มาก อะไรก็มากบ้านเมืองเจริญการศึกษาเราเรียนดีทุกอย่างก็ตายเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องตายนี่แหละกฎิเราจะเอาอะไรไว้เราจะเอาชั่วหรือจะเอาดีไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนหนักสอนหองสอสิ่งถ้าเราเกิดมาเป็นคนเราต้องตายแน่เราจะสร้างคนดีหรือสร้างคนชั่วอย่างพระสุรพัฒสร้างคนชั่วก้มเน้นไม่อยู่ทุกวันี้อย่างพระพุทธเจ้าสร้างคนก็หอมอยู่ทุกวันนี้เอง ทุบสามดอกที่เรามาจุท ก, จก ท, กที่ทีเนี่ยรู้จักเนี่ยตายพอทำดีคําพูดพูดที่กตัญญูหอมทุบสามดอกทุบสามดอกอันนี้ใกล้จนไม่เข้าใจกันง่หอมของเส็ยดังเราได้ยินได้แก้ความจริงแล้วทุบสามดอกทั้งไม้ถึงตายทำดีคําพูดพูดดีใจคิดเป็นทางที่ดีเมื่อความดีมีแล้ว ไปมาจากสิงเดียนมาจากกิโลมาจากเมืองไทยเนี่ยเคยรู้เคยคาดใช่ไหม 3,000 กิโล 3,000 กกิโลยังหอมมาะถึงเมืองไทยได้ไม่เฉพาเแต่เมืองไทยนะเหมือนมันยังหอมเป็นเมืองลาวเมืองพมเหม็นที่ไหนของโลกมากไหมแล้วไม่ได้ควมเหม็นพระเทวทัศน์ก็คือในประเทศสินเดียเหม็นไปเท่าขันไป 3,000 กิโล ประมาณสามพันคนท่านีีแหละความจริงนี้จะความจริงไปเลยะเราเกิดมาเป็นคนไม่จะทำจะทำชั่วหรือทำดีเลือกเอาให้ดีทุกคนมาไม่ถึงหกผูดจะเป็นจริงหวงข้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำพูดวันนั้นพูดอย่างนั้นวันนี้หลวงพ่อทอดผู้คนจริความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเจ้าว่าตัวจะทำอะไรัจะทาทุกข ถ้ามาเกิดครั้งที่หลังมันจะทำชั่วด้วยมันจะทำดีแต่ในขณะนี้ปัจจุบันทำดีหรือจะทำชั่วนี้แหละเราจะให้รู้ปัจบันแก่ปัจจุบันทำดีขนาดนี้ยังไม่ดีเพราะเราตายไปแล้วมาเกิดจะได้มาเกิดหรือไม่ได้มาเกิดไม่ดีจะทำดีหรือทำชั่วในนี้ที่เราตายแล้วเนี่ยเรามาเกิดแล้วเป็นคนในโลกย่างทำดีหรือทำชั่วเราไม่ดีปัจจุบันนี้ต้องรู้ทุกคนเลย เมื่อเร า, ารู้ปัจจุบันแล้วอดีตเรู้วต้ออบียออย่งางเดยอยากจะให้นั่นมันเกิเป็นหนังก็ไม่ออกข้าเกิดแล้วก Ö ตายมาเกิดเป็นคนตายอย่างคนมาเกิดเป็นสัตว์แต่ละสายตายอย่างสัตว์แต่ละสายมาเกิดเป็นเทวดาตายอย่างเทวดามาเกิดเป็นภพตาอย่างจินอย่างภพเกิดอันใดตายอันนั้นทำ ม, ต ม, ตมัต้นไม้เกิดแล้วตายที่ยนี่หลวงพ่อเข้าใจต่อ น, นี้อยู่อทราบ ซึ่งไม่วังไหวไม่งอนแง่ไม่คอนแวนใครจะพูดยังไงภาษานี่แหละของจริงเลือกว่า เ, าเลือกตัดตัดจะเร้ยของจริงเกิดเป็นคนจิตใจเป็นเสียมันผลินผลและตัจะของจริงแล้วเกิเป็นคนเนมมเนแ ม, แ, ม, ในในน แ, มแล้เกิดเป็นคนเป็นศาสตร์านี่จริงเลยนี่จริงวลยอ่ะเกิดเป็นคนคนเอาควมเป็นคนมะ ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องให้คนเป็นอยคนรื่อๆอย่าให้เป็นเตเป็นปัตรูทหานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกขึ้นมาเราพยายามให้คมเป็นคนสมบูรณ์อัดแน่นเนื้อมั่นคงแล้วก็พยายามให้เป็นมนุษขึ้นมาพยายามให้เป็นเทวดาขึ้นมาพยายามให้เป็นอินทร์เป็นคนที่สุดก็เป็นพระเนี้อเป็นคนได้คําว่าพระเนื้อเป็นคนนี่หมายของบุคคลที่รู้จักทุก รู้จักสุขรู้จั ก, จกให้สดทุขรู้จักเตุให้สดสุขรู้จักวิธีดับทุ ข, ขทำอย่างนั้นบรรดับอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันแก้อย่างไรอันนั้นหรือเป็นนิพพานก็ได้เป็นอริยสุคคลจะได้จะว่าอย่างไรได้ทํานั้นมันเป็นเรื่องสมมุติอให้รู้จั ก, จกสมมุติสิแค่คนเราไม่เขา้าใจเมื่อไม่เขา้าใจ อ, อร่าไม่้ก็จะสาธุไปอาบุญ บุ่นนี่เขาไม่รู้บุ ญ, บ ญ, บญคืออะไรไม่รู้นึกว่ามันเป็นส่วนตัวบุญคือไม่ทุกนั่นเองถ้าเราทำบุญอยู่เราทุกเรากระจกนรกเราก็มีด่างนั่นแหละไม่ติอย่างทุกคนที่มานนฟังนะครับจดจําอย่าเชื่อถืออย่างนี้นท่านบอกเลยอย่าเชื่อถือที่เขาพูดตามกันมาในสื่อสารอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมา ยาเชื่อถือโดยเห็นเขาทำตามากันมายาเชื่อถือโดยเห็นว่ามียอยู่ในตำรากรมัมภีร์ยาเชื่อถือโดยาการนึกเราเอาเองหรือนึกเขาเองที่สุดครูอาจารย์ก็อมาให้เชื่อถือเราเราต้องใช้สติปัญญาที่เจริญเห็นจริงตามความจริงถือหย่อนจัดแท้เปลีป่ยนแปลงไปไม่ได้คนทุกคนเกิดมาต้องทบทนี้ก็จับไว้ทุกคนอยู่ที่นี่ใจมัน แต่ต้องประสบสำ น, นี้ทุกขนจวนจับมุดลมหายใจเนี่ยต้องแน่นอนที่ว่านี่ผมทําไมไม่ศึกษากระเพาะไม่รู้นั่นเองไม่พูดของจริงให้กัฟังนั่นเองนิพพานมันต้องเขาเจในขนาดนี้ศึกษาได้ในขนาดนี้เห็นในขนาดนี้ถ้าไม่เห็นในขนาดนี้แล้วหมายถึงว่าพวกนี้เราจะจะรวยพวกนี้เราจะจะไปหาเงินอันนั้นมันเป็นการคาดคิด จะได้ไมได้เลยลูกถ้าเราหาเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินมันก็ได้มาเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่หาเดี๋ยวนี้เงินมันก็ไม่ได้มาเดี๋ยวนี้ไม่ด้นี่ความจริงที่นำมาเราสู่หัววันนี้เป็นวันแรกหนึ่งคำเดือนพิเศเป็นวันเสาร์เป็นวันที่18เดือนสุลาษมรพรุ่งนี้ก็จะมีศิษย์จะมาถวายที่วัด น, นี้ ก็จจะเทศให้ฟังในตอนที้ก็ต้องเทศอย่างนี้แหละหลวงพ่อจงพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อไม่มีเรื่องอะไรจะพูดสวรรค์ตายแล้วยังเอานั้นหลวงพูดไม่เป็นนั้นโกตายแล้วจริงจะไปตงน้นโกหลวงพ่อพูดไม่เป็นแต่หลวงพ่อพูดเป็นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไั่อยาเพราะมันเป็นเขาไม่จริงถ้าพูดเอาไม่จริงเขาว่ายังไงว่าพูดไม่จริง่อหลอกลวงโหหกพูดเท็จแต่ท่านพูดจริงทุกคน แกนิสัยเดิมนะที่หลวงพ่อพูดนี่ยจะแก้ได้ถ้าทำไม่แก้ต่อหลวงพ่อไม่ได้บังคับเลยเพียงหลวงพ่อนํามาล่าให้ฟังถ้าอยากแก้นินสัยเดิมของเราเรแก้เลยนะเราจะได้นินสัยเดิมจะให้เป็นเย็นไปจาไปจางไปจางไ ป, งไปแล้วนิสัยใหม่ๆขึ้นมามันจะค่อยพอๆฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นมากขึ้นหนักขึ้นนิสัยเดิมก็หมดไปเอาสมมุติให้ฟังถ้าเรอะไร เปื้อนเปื้อนเลอะเลือนไปวันนี้เราเอาผงเาน้ำมาคัดยี่สกันเลยมันเอาผ้าแสลงไปแสเราไม่ย้อมก็ได้แ่ไปนานๆจากวันหนึ่งสองวันแล้ก็ไปจับตัวของที่ก็ได้มันจะจางเองมันแ่หลายทีทําทุกวันทุกวันผลที่สุดวันที่มันติดผ้าหรอที่มันสกปกมันจะหมดไปเองผ้ามันจะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้น ผลที่สุกจเป็นผ้าที่ละเอียดเหมือนกับผ้าเอาออกมาจากโรงงานนั่นเองเด็กๆก็เหมือนกันเด็กๆที่ดีเหมือนกับผ้าเอามาจากโรงงานเป็นผ้าถ้าเอามาใส้นานก็จะพุ่งพุ่งอันเปิดเปลื่นติดเข้าเนี่ถ้าหากเราสอนกันเต็มตัวเล็กๆและหน่มโอ๋คงจะดีถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสอนกันมาอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นน้องอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นพี่อย่าเพิ่งทําอย่างนั้นลูกนักศกษามีปริญญาเกษต หลวพ่อเขา้าจว่จะเป็นภาพที่สุดสวยน่าดูน่าชม่างนัเอาแหละที่หลวพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจวันนี้ก็เห็นว่าสมผลเสียเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตจจมาพร้อมด้วยผักสงและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและท่าธรรมคำตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา และคุณของพระลานตาสาวกพระธรรมะสังฆราชมาเตือนจิตสักิตใจแก่พวกเราให้พวกเราได้พิจารณาตัวเองดูจิตดูใจของเราจริงๆอย่าไปดูคนคมากถ้าไปดูคนอื่นนะท่นานบอกคนหลงตนดืตัวอย่างที่หลวงพ่อยกหลวงพ่อไม่ฟังมีบุคคลแสวงหาสติเทศสติเพศมันหนีไปที่ไหนเราไม่รู้เรายังติดตามมันไปเลย มันก็หลงตงนลงเราไม่ต้องไปหาใครปัญญาดูคิดดใจเราเเมื่อเราเห็นตัวเราแล้วนั่นแหละคือธรรมะคือเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นพระธรรมคือเห็นพระสงฆ์ตัวพระสงฆ์คือตัวเราเนี่แหละตับพุทธีปฏิบัติตชอบตามพระธรรมที่ไหตามพ่อแม่ปูย่ย่าตายายสอนให้ฟังวิริยามา ร, รยาทอะไรไม่ดีปลุเสื่อมออกไปในขณะ น, นี้แล้วก็หมด ของตัุก่นใจแล้วอินจะลอยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นที่ติดเราก็เปลี่ยนทายาเป็ น, นดได้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นภาวะสนิดจิตใจเป็นอย่างนั้นในขณะนี้นจงทุกๆคนเออ เทวีวัดตุนางเปตาังคุปกะปติท่านท่านุูดิให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จไปโอเคคุณีลาโลกนี้ไปแล้วได้ชนันจิตตังปัจจิตังกุมังโอ้ยังอุนจิตังปาตานาแล้วตั้งใจแล้วนิปะเนวัตมิโตุ จงทำเลโดยสัตว์นตาเอโกเลตุนสัมภาขอความดังที่ทำบุญอยู่ดีงานตัปนารตยาางานพิจารณาวันเดอาณิโชติราชตยาตางานเจมณีอันตระลังตะไรขวัญดีสัตตยวิวัจจตุ ารไลทำควงตรงมำลาดไปตาพรโลรินาตโ่วงของท่านจงายมาเดารันวันดารโยทนรายามีแก่ท่านลัวชีอายุคอภาลันทานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสาธุ สีิตาิจงพุทธาปาดายโลอะาารรมวะติอายุอนโลุกัมบาลังสามีปะการเกอายุอนาตุกัปปะระย่อมจะเลิญแก่อหคนผู้มีปกติว่ายับมีปกปติอนน้องสองผู้ใหญ่เป็นนี้ภาวัตุสัพะมังรารัง พระพัุตพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงโยมรักษาธรรมตาตาพทานุภาเวนรวยอนุปาแข็งราพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะรวย a yeah. n mm -hmm.